บันทึกพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่25กรกฎาคม2 5น6ณวัดปาบ้านตาจังหวั ด, ดอุดรธานีเราเป็นนัก บ, บวด ท, ทุกทุกท่านโปรดได้ทราบว่า เป็นลูกของพระพุทธทเจ้าพระพุทธทเจ้าที่ทรงนามว่าเป็นศาสนราของโลกนั้นเป็นศาสตาทั้งภายนอกทั้งภายในศาสดาภายนอก ได้แก่พระอาการเคลื่อนไหวทางพระกายพระวาจาทีบรรดาผู้ตั้งใจศึกษาได้รับประโยชน์จากพระองค์ท่านทุกๆพระอาการที่เคลื่อนไหวมารยาท ทุกอาการของพระพุทธเจา้ายอมแสดงออกมาจากความบริสุทธิ์แห่งพระทยของพระองค์การกระทำก็ดีและจะรับสั่งอะไรกับใครๆก็ดี ไม่เคยที่พระองค์จะทรงกระทาและทรงรับสั่งให้เคลื่อนพลาดจากหลักธรรมคือเหตุผลเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีความหนักแน่นต่อพระโอวาท คือคำสอนของพระองค์ย่อมสามารถจะนำพระอาวาัตนเข้ามาประดับกายวาจากลายเป็นมารยาทที่ดีงามขึ้นมาในหมู่ชนนั้นๆลนะมารยาทของพระพุทธเจ้าไม่เคยล้าสมัยแต่ไหนแต่ไรมา และเป็นความงามอยู่เสมอในเมื่อผู้ใดในมีความใคร่สนใจนำเราะว่าที่ออกมาจากความบบิทธุดของพระองค์ท่านไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้งามตามแถวแห่งธรรมผู้นั้นจะ ถ้าเป็นสง์ก็จัดว่าเป็นสังฆโซผานาเป็นผู้งามในหมู่เป็นที่ประดับพระเกียตรติของพระพุทธเจ้าด้วยของพระศาสนาซึ่งเป็นพระโอาวาทคําสอนของพระองค์ท่านเดวยและจะเป็นการประดับเกียตรติพระสงฆ์สาว ของพระองค์ท่านด้วยทั้งจะเป็นการประดับเกียรติในหมู่พระสงฆ์ด้วยกันด้วยทั้งเป็นความสวยงามในตนเองด้วยส่วนภายในกอบเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ภายในใจไม่ได้เกิดความเดือดร้อนเพราะมายาตขัดแย้งต่อพระอุาทของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยใดเมื่อบรรดาพุทธบุตรเป็น ผ, ผู้มีความสนใจใคร่ต่อพระธรรม ที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามความหมายแห่งธรรมของปพุตธิเจา้าสิ่งที่จะทำให้เป็นความสวยงามภายนอกแก่ผู้ได้เห็นได้ยินก็เป็นความสม่ำเสมอ ไปที่ไหนเป็นเหตุให้เย็นตาเย็นหูสำหรับผู้ได้เห็นได้ฟังเป็นเหตุให้ยิ้มแย้มแจ่มใสาภายในจิตใจว่าได้เห็นผู้ปฏิบัติตามพระอวาทของพระพุทธเจา้าโดยถูกต้องในหลักแห่งสุ ป, ปฏิปันโนอุชุญย า, ญาสามิกปฏิปันโน และเป็นที่ร่มเย็นภายในจิตใจของท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องนั้นด้วยเพราะไม่ไมีความระแคะระขายในจิตใจว่าตนได้มีความขัดแย้งต่อพระอาวาติของพระพุทธเจ้าข้อไหนในทางความประพฤติเมื่อคิดถึงเรื่องพระธรรมวินัยที่ตนกำลัง ทรงไว้และปฏิบัติอยู่ก็เป็นที่กุล อ, อกุลใจนี่จัดว่าเป็นความร่มเย็นประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งความร่มเย็นที่ผู้ปฏิบัตินั้นๆจะพึงได้รับในการต่อไปความปฏิร่มเย็นในอันดับต่อไปนั้นคือความ ร่มเย็นภายในใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระโอวาทคือการดัดแปลงจิตใจของตนซึ่งมีความขนองอยู่เป็นธรรมดาของปุถุชนไม่ว่านักบวชและขราวาสย่อมจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันการที่ผู้ปฏิบัติได้ดัดจิตใจของตนไม่ให้นอก รูนอกทางจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าไปบังคับไว้ในกรอบแห่งสติกรอบแห่งปัญญาหรือบังคับไว้ในกรอบแห่งศีลธรรมที่พระองค์ประทานไว้แล้วมีการอบรมจิตใจเพื่อความสงบฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของตนไม่ให้คิดไปตามอาเภอใจซึ่งเคยเป็นมา ไปที่ไหนมีความระมัดระวังความเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาและความเคลื่อนไหวทางใจอยู่เสมอมีธรรมเป็นที่พึ่งของใจหรือมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจมีสติเป็นเครื่องกากับกับธรรมที่ตนสำนึกหรือตนพิจารณาอยู่นั้นเสมอไป ใดแม้จะมีความพยศอยู่มากน้อยเท่าไหรเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่เกิดขึ้นจากความระมัดระวังจะเป็นเครื่องซักฟอกความพยศที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นให้เสื่อมคลายหายไปเป็นลำดับแล้วกลับเป็นจิตที่ดีขึ้นมา กลายเป็นความสงบสุขแก่ตนเป็นชั้นๆนับตั้งแต่ความสงบเพราะจิตใจได้รับการฝึกผลทรมานกลายเป็นจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาผลแห่ง ทำที่ตนได้รักษาไว้กับจิตนั้นจะแผ่กระจายออกมาให้เป็นโอชารสเพื่อจิตได้ดื่มปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในท่านผู้ปฏิบัตินั้นๆหรือจะเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือเริ่มเป็นสมาธิก็ได้ จิตเริ่มมีความสงบสุขภายในใจของตนก็ได้การปฏิบัติพระศาสนาถ้าไม่มีผลอันใดปรากฏให้เป็นเครื่องหมายหรือเป็นสักขีพยานแห่งการปฏิบัติแล้วพระศาสนาของพระพุทธทเจ้า แม้จะปรากฏว่าเป็นของมีคุณค่ามากเท่าไรก็ตามแต่จะมีเฉพาะท่านผู้ที่รับรถพระสัทธรรมภายในใจอันเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติซึ่งเป็นผลตอบแทนเท่านั้นจะไม่ปรากฏเป็นความประเสริฐเลิศโลกอันใดสำหรับ ผู้ไม่มีความสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแถวธรรมะของพระพุทธเจา้าผลที่จะพึงได้รับก็ไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจทั้งๆ ท, ที่พระศาสนาเป็นธรรมชาติที่ทรงคุณค่าไว้แล้วตามธรรมชาติของตนอย่างสมบูรณ์แต่ผู้จะ ปฏิบัติเพื่อจะนำธรรมะอันเป็นของประเสริ t นั้นเข้ามาครองที่หวัวใจนั้นเป็นผู้ไม่สามารถไม่อาจจะยังพระธรรมนั้นนั้นที่บรรดาท่านผู้เฉลียวฉลาดมีพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นต้นได้ทรงไว้ให้เข้ามาเป็นสมบัติของตน เพราะเหตุแห่งความไม่สามารถฉะนั้นบรรดาเราทั้งหลายที่ได้นามซึ่งกล่าวแล้วในเบื้องตน้นมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าโปรดได้คํานึงถึงความที่ว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคำวมาลูกหรือบริษัทของพระพุทธเจ้านั้น มีความหมายกว้างแ ค, แค่ไหนพุท ธ, ธะคือท่านผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นผู้สามารถเป็นผู้อาถานในสิ่งที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระองค์และแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลก คำว่าธรรมะซึ่งเป็นของอัศจรรย์ก็เช่นเดียวกันยอมจะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งเหตุของพระุทธิเจ้าที่บำเพ็ญโดยถูกต้องแล้วนีเราผู้เป็นนักปฏิบัติซึ่งให้นามว่าศิษย์ของพระถาคตจึงควรคำนึงถึงตัวของเราเสม อ, อยา ทำความเคลื่อนไหวในอียบบททั้งปวงด้วยความเป็นโมฆะแก่ตนเองอิยาบททั้งสีสามารถจะตักตวงเอาคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นได้ทุกทุกความเปลี่ยนแปลงของอิยาบทของตน แต่ถ้าปล่อยให้ความงุก่กเข่าปล่อยให้ความเกลียดคร้านปล่อยให้ความท้อแท้อ่อนแอความทรัพ้ามรักง่ายเข้าครองในอียาบทใดแล้วโปรดทราบว่าียาบทนั้นเป็นียาบทที่สังหารตนเองนอกจากนั้นยังจะเป็นเหตุทำตนให้เนินช้าเพราะโมคะียาบท ซึ่งครองตัวของเราอยู่พระพุทธเจ้าไม่ทรงประทับอยู่ด้วยในิยาบทดาใดห้เป็นไปเพื่อความเนื่อช้าต่อพระองค์ท่านและเพื่อกิเลส จ, จะได้เหยียบย่าพระองค์ท่านให้ขาดสูญจากความจะเป็นพระพุทธเจ้าให้โลกทั้งหลายได้กลาว่า คำว่าพุท ธ, ธะคือความหมดจดแห่งใจจะเป็นใจของพระพุท ธ, ธเจ้าก็ต่างจะเป็นใจของสาวกท่านก็ต่างอยาเข้าใจว่าได้อยู่ห่างไกลาจากทางคือศีลสมาธิปัญญา ศีลสมาธิปัญญาซึ่งเราทั้งหลายพยายามประพฤติปฏิบัติและดำเนินอยู่ณปัตจนี้เป็นศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันและเป็นทางที่จะก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือพุทธะอันหมดจดเช่นเดียวกันขอจงปรับปรุงทางเดินของตนให้ดีด้วยกายวาจาใจและอิริยาบถ ทั้งหลายซึ่งมีประจําตนอย่าให้ขาดว่าขาดตอนในทางความเพียรสมาธิคือความมั่นใจที่จะก้าวเดินตามทางของพระพุทธเจ้าและสาวกอย่าได้ลามือปัญญาเป็นเครื่องเบิก หักนาซึ่งมีอยู่ในระยะทางหรือเป็นเช่นเดียวกับจอบเสียมเป็นเครื่องขุดคน้นสิ่งที่เป็นเชี่ย น, น้นาอยู่ในระหว่างทางจงพยายามใช้เครื่องมือเหล่านี้ชำระหนทางของตน คำว่าศีลสมาธิปัญญาและมรรคผลนิพพานนั้นจะเข้าใกล้คิดติดกันเป็นลำดับในบุคคลผู้เดียวคือเราผู้ปฏิบัตินี้เมื่อได้บำเพ็ญให้สมบูรณ์ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแล้วผลอันจะเกิดขึ้นจาก ทำที่กล่าวนี้จะปรากฏเช่นเดียวกันกับผลที่ปรากฏขึ้นแก่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายและจะกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในหัวใจของเราตรงนี้แล้วก็เทียบกันได้กับพระพุทธเจ้าและสงสาวกที่ท่านผ่านไปแล้ว กับหัวใจของเราซึ่งบริสุทธิ์อยูนับบัตนี้ด้วยอํานาจแห่งศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางสายเดียวกันพระพุทธเจ้าจ ะ, สะเสด็จนิพพานแล้วก็ตามสาวกจะนิพพานแล้วก็ตามกับเราซึ่งยังอยู่นับบัตินี้ด้วยทั้งความบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่กับใจของเราจะไม่มีอันใดแปลกต่าง ก, กันกับพระพุทธเจ้า และสาวกที่ท่านนิพพานไปแล้วกับเรายังมีชีวิตอยู่นะบนัดนี้เรื่องความแปรไปที่ว่านิพพานแล้วนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องความบริสุทธิ์ที่จะนิพพานไปเช่นเดียวกับธาตุขันนั่นเป็นเรื่องของธาตุขันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ของพระพุทธทเจ้าซึ่งเป็นเช่นเดียวกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของบรรดาเราทั้งหลายถึงการแตกการสลายย่อมเป็นไปตามสภาพของธาตุขันซึ่งตกอยู่ในไตรลักษณ์คืออนิจจทุกขังอนัตตาไม่มีใครจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนาสามารถกัน้นกลางห่วงห้ามธาตุขันนี้ไม่ให้เดินไปตามทางสายไตรลักษณ์ ย่อมจะเป็นเช่นนั้นด้วยกันทุกทุนน่ะนั่นเป็นเรื่องของธาตุขันที่แตกสลายลงไปแล้วให้ชื่อว่าพระพุท ธ, ธเจ้าและสาวกทั้งหลายนิพพานแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิพุทธโธของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นจะไม่ปรากฏว่านิาพพานไปตามคําพูดหรือคําที่เราทั้งหลาย ได้ทราบทั่วหน้ากันจะเป็นเช่นเดียวกับพุท ธ, ธะที่บริสุทธิ์ซึ่งเราครองอยู่นบัตินี้ไม่มีอันใดผิดแปลกต่างกันแม้แต่ น, อน้อยฉะนั้นการที่พระพุทธทเจ้าจะนิพพานไปก็ดีสาวกจะนิพพานไปก็ดีกับเราผู้สามารถทำตนให้บริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิง แต่ยังมีขันประจําอยู่นี้จะไม่เห็นว่าอันไหนเป็นของแตกต่างกันความแตกต่างกันทั้งนี้มีเรื่องของขันเป็นตัวเหตุที่โลกทั้งหลายให้ชื่อว่าเกิดมาตายและให้ชื่อพระพุทธเจ้าและสาวกป้านิพพามีความแตกต่างกันอยู่เพียงเท่านี้ธรรมาชาติที่บริสุทธิ์แม้จะครองขันอยู่ก็บริสุทธิ์ นิพพานไปแล้วธรรมชาตินั้นจะแปลจากความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาเป็นความเศร้าหมองกลายเป็นเรื่องปุจชนไปเหมือนอย่างบรรดาจัตทั้งหลายนั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เหมือนกันก็คือความบริสุทธิ์เรื่องของขันจะแตกก่อนแตกหลังก็เช่นเดียวกันกับการก้าวเท้าของเราขาขวาข้า ข, า, ขาซ้าย จะก้าวไปพร้อมๆกันไม่ได้ยอมจะก้าวอันจะก้าวตามกันไปขาซ้ายก่อนขาหลังเดินไปตามแล้วก็เท้าขวาไปก่อนเท้าซ้ายไปตามกันเปลี่ยนแปลงกันอยู่เช่นนี้เรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งมีอยู่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา ก็ย่อมมีลักษณะไปก่อนไปหลังเหมือนกันนี่ท่านเรียกว่าถ้าแตกแล้วให้ชื่อผู้บริสุทธว่านิพพานให้ชื่อผู้มีกิเลสธรรมดาเช่นอย่างพวกเราว่าตายบ้างมรณภาพบ้างเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือเรื่องความแตกขึ้นแห่งขันที่ประชุมกันดูนั้นเท่านั้นถ้าไม่มีการประชุมแล้วการแตกก็ไม่ปรากฏ ไม่มีการเกิดแล้วการตายก็ไม่ปรากฏเรื่องการเกิดการตายนี้เป็นประโยคใหญ่โตสำหรับโลกผู้ยังไม่มีความสามารถจะรู้เท่าทันในเรื่องธาตุขันโดยความไวสุดใจหรือเพราะอำนาจแห่งความฉลาดของปัญญาจึงเป็นลุ่มๆุมดอนดอนในเรื่องธาตุเรื่องขันทั้งของเขาของเรา มีความเสียใจยเวลาจากไปแต่มีความดีใจเวลาได้มาเป็นของตนความดีใจกับความเสียใจยจึงรบกันทั้งวันทั้งคืนผลในหน้าก็คือความเดือดร้อนของคนผู้ไม่หลอบครอบตนนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าและสาวกผู้ท่านบริสุทธิ์แล้วเนื้อจะเป็นพวกผู้ใดๆก็ตาม ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ถ้าอะไรถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระเจ้าแล้วก็ไม่เห็นอะไรเป็นของแปลกสําหรับธาตุขันทั้งที่ท่านผู้ผ่านไปแล้วและตนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เห็นว่าจะต้องไปในสภาพอันเดียวกันสําหรับความบริสุทธิ้นั้นเป็นของคงที่ไม่แปรไปตามความแตกสลายแห่งขันนี่ เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องแตกสลายจะไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้มีความรับผอบต่อสิ่งเหล่านี้แล้วด้วยปัญญาฉะนั้นเราทุกทุกท่านที่ได้เป็นนักบวชประกาศตนว่าเป็นศากขยะบบุตรจงพยายาม อยู่ให้มีที่พึ่งในเอียบททั้งสี่คือความเพียรยาได้ละไปตามความเคลื่อนไหวแห่งกายของตนและวาจาของตนอย่างน้อยความสงบของใจจะปรากฏขึ้นมานั่นละเราจะได้เริ่มเห็นคุณของพระศาสนาที่ประจักษ์กับใจ ได้แก่ความสุขซึ่งเริ่มเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติของเราเมื่อใจได้รับความสงบเยือกเย็นแล้วแสดงว่าเรามีต้นทุนที่จะเป็นเหตุให้เลยหมุนหากำไรเพื่อความสุขยิ่งขึ้นไปกว่านี้และพยายามพินิษพิจารณาโดยทางปัญญา ตาไปถึงไหนหูไปถึงที่ไหนสติกับปัญญาให้ตามทันเสมอเบื้องต้นก็ต้องพยายามฝึกหัดจะได้บังเสียบังเพราะความไม่เคยชินต่อการตั้งสติการคิดค้นโดยปัญญาข้อตามแต่เพราะการพยุงหรือการฝึกหัดอยู่เสมอสติกับปัญญาจะเป็น ทำที่มีกําลังขึ้นมาจนกลายเป็นสติปัญญามีความเคยชินต่อตอนเองและกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแนบสนิทอยู่กับใจของตอนเองความเคลื่อนไหวของกายวาจาจะเคลื่อนไปที่ใดจะไม่ต้องเตือนสติกับปัญญาให้รับรู้ในสิ่ ง, งนั้น จะไม่ต้องเตือนสติกับปัญญาให้รับรู้ในสิ่งนั้นๆเรื่องของสติกับปัญญาแล้วรอรับเหตุการณ์อยู่เสมอทั้งที่เป็นฝ่ายชั่วและฝ่ายดีซึ่งจะควรแก้ไขและอบรมให้มีกำลังมากขึ้นจะเป็นเรื่องของสติกับปัญญาซึ่งมีกำลังพอตัวแล้วรู้เรื่องของตัวเอง กิเลสตัณหาไม่ได้อยู่ตื้นไม่ได้อยู่ลึกอยู่กับความรู้สึกคือหัวใจดวงเดียวอันนี้อยู่กับความโง่อันเดียวกั น, นความโง่ความฉลาดอย่าพึงเข้าใจว่าจะมีนอกเหนือไปจากจิต ด, ดวงเดียวนี้คำว่ากิเลสก็คือเรื่องความรู้อันเดียวนี้วิธีแก้กิเลสก็คือความรู้อันนี้ พยายามดัดแปลงตนเองในวิธีการซึ่งจะเป็นไปเพื่อความถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าสุดต่อตนเองเท่านั้นท่านก็นเรียกว่าเป็นเรื่องของความเพียรหรือเรื่องของสติปัญญาขึ้นมาในใจดวงนั้นการประกอบความเพียร ไม่ปรากฏเป็นผลคือความสงบเยือกเย็นขึ้นมาในตนเองเลยนั้นรู้สึกว่าเราจะเป็นคนอาภัพในตัวของเราเองอยู่บ้างทางั้งๆที่เราก็เป็นมนุษย์อันสมบูรณ์แต่เป็นผู้อาภัพในความเพียรอาภัพในความขยัน อาภัพในเรื่องสติอาภัพในเรื่องปัญญาอาภัพในประโยคพยายามทุกประโยคซึ่งควรจะถอดถอนกิเลสได้แต่กลับกลายเป็นการสังสมกิเลสขึ้นมาเพราะความอาภัพของปัญญานั้นหรือของความเพียร น, นั้ น, น, นแทนที่จะถอดถอนกิเลสขึ้นมา เพราะการสละตนออกบทในพระศาสนาและกลับกลายสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุแห่งความอาภัดพับดังที่กล่าวแล้วฉะนั้นเราอย่าไปมองที่อื่นสิ่งใดที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความพอใจอันเป็นเหตุจะให้สั่งสมกิเลสขึ้นมานั่นแหละ เป็นสิ่งที่จะกั้นกลางความจเจริญรุ่งเรืองของเราให้กลายเป็นคนอาภัพขึ้นในบุคคลคนนั้นถ้าเป็นเช่นนี้แล้วคำว่ามรรคผลนิพพานก็จะได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นไม่ปรากฏในทางใจของเรา ขอให้ทำความรู้สึกตัวเสมอว่าวันนี้เราทำความเพียรได้ขนาดไหนวันหน้าเราจะปฏิบัติอย่างไรในเมื่อวันนี้ฐานะของเราก็เป็นอยู่เช่นนี้ไม่ปรากฏมีความก้าวหน้าหรือมีความเข้มแข็งขึ้นมาด้วยความเพียรไม่มีความฉลาดขึ้นมาใยทางปัญญา ไม่มีความมั่นคงในทางความเทียนกิเลสซึ่งอยู่ในฉากอันเดียวกัน<ม>ก็จะหัวะลระเยาะเราทั้งวันทั้งคืน<ม>โดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าตนได้ปฏิบัติตามทางของกิเลสตัณหาอาสวะอันเป็นเครื่องพ่อพูนหัวใจ แล้วก็จะไปมองดูมรรคผลผนิพพานซึ่งปราศจากบันไดเช่นเดียวกับเรามองดูดาวบนฟ้าหาบันไดหรือหาที่ขึ้นไม่ได้ร้องไห้วันยั่งคำคืนยังลุง่น้ำตาจะมีมากเท่าไหร่ก็ไหลทิ้งเสียหมดไม่เป็นประโยชน์อันใดสำหรับเราผู้ร้องไห้และน้ำตาที่ตกไป ไม่กลายเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาเพราะน้ำตาที่ตกไปนั้นลักษณะของผู้ต้องการมรรคผลนิพพานแต่ปราศจากการบำเพ็ญตามทางของพระพุทธ เ, เจ้าแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวนั้นเหมือนกันเราจะตั้งตัวเป็นคนร้องไห้ต้องการดาวบนฟ้าหรือจะพยายามปรับปรุงตัวเอง โดยทางศีลสมาธิปัญญาให้เห็นผลประจักษ์เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันกันกบทางคือศีลสมาธิปัญญานี้คำว่าศีลสมาธิปัญญาท่านทั้งหลายอย่าให้อย่าคาดให้ไกลเหนือจากกายวาจาของและใจของตนไปคำว่าการแก้กิเลสตัณหาอาสวะก็เหมือนกัน และมรรคผลนิพพานที่จะเป็นผลปรากฏขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งสีสมาธิปัญญาก็อยู่ในจุดเดียวกันนี้ฉะนั้นจงพยายามเปิดเผยขุดคน้นดูตัวของเราเบื้องต้นก็คือกายอันนี้คลี่คลายดูให้ชัด มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเพียงวันเดียวเท่านั้นถ้าเราพยายามรักษามาให้ปราศจากสติกับปัญญาเราจะรู้ทันทีว่าผลได้ปรากฏขึ้นเพราะการประกอบความเพียรโดยวิธีนี้นี่เป็นสักขีพยานหรือเป็น เครื่องพยุงใจของเราให้ได้มีความเพียรก้าวหน้าในวันทุกนี้ผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นเครื่องหนุนกันไปเสมอวิธีฝึกหัดสติปัญญาเคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบกี่ครั้งแล้ว ถ้าไม่สามารถในเรื่องของสติกับปัญญาซึ่งอยู่กับตัวและอธิบายย้ำให้ฟังเสมอก็ไม่ทราบว่าเราจะสามารถเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาให้เป็นของอัจรรย์กับคนผู้ไม่มีความเปลี่ยน พระรพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าทุกขังอริยสัจจงว่าทุกเป็นของจริงเราพิจารณาไปถึงแค่ทุกก็ถอยหลังกรูดออกมาแล้วแล้วจะไปถึงที่จริงของทุก์ที่ไหนเราทุกไม่ใช่อยู่กับความถอยหลังการรู้ความจริงของทุก ไม่ใช่เพราะความท้อถอยเช่นนั้นต้องเป็นเรื่องความรุดหน้าของสติกับปัญญาที่จะค้นดูเรื่องของทุกข์ซึ่งมีอยู่กับกายและใจของตนให้เห็นชัดเท่านั้นทุกข์ที่ว่าเป็นของจริงในครั้งพระพุทเจ้ากับทุกข์ที่ปรากฏดูกับกายกับใจของเหล่านี้จะปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งสติกับปัญญาของเราเช่นเดียว ก, กันกับพระองค์ท่านนี่ ทำว่าคนทุกข์ไม่เห็นทุกข์ของจริงเพราะความถอยหลังใครพิจารณาไปถึงแค่ทุกข์ก็ถอยหลังมาทุกคนไม่ได้กำหนดให้เห็นตามหลักความจริงของทุกข์ด้วยอํานาจของความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นเครื่องสนับสนุนเลยทุกข์จึงคล้ายกันกับว่าทวีก้าวหน้ายิ่งกว่าผู้ประกอบความเพียร ไเยไม่ยับยั้งลงในหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เลยนี่เพราะความรู้สึกของหน่อไม่ได้เป็นไปตามความทุกข์ที่เป็นของจริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ <im string> เมื่อเป็นเช่นนั้นสมุทยัทยซึ่งเป็นแหล่งผิดทุกข์ขึ้นมาก็จะมีอำนาจวาสนามากมายสามารถจะผิดตัวทุกข์ขึ้นมาให้ โมคาบุรุตได้รับแบกภาระทั้งวันทั้งคืนถึงกับรับทานไม่ได้นอนไม่หลับก็มีจานวนไม่น้อยนี่เพราะเราพิจารณาถึงแค่ทุกก็ถอยกลับออกมาเข้าใจว่าทุกจะไม่ติดตามเราความถอยออกมานั่นเองชื่ว่าเป็นการฉุดลากทุกขเข้ามาสู่ตัวของเรา ต่อเมื่อเราได้พิจารณาเรื่องของทุกทั้งที่เป็นทุกทางกายและทางใจให้เห็นชัดด้วย ป, ปัญญาแล้วสมุทฐานที่เกิดขึ้นแห่งทุกคือเรื่องของสมุทัยก็คือคือหัวใจตรงนี้จะได้ถูกขุดคน้นเพระอํานาจของปัญญาแล้วถอดถอนขึ้นมาจนไม่มีซากอันใดเหลืออยู่ภายในใจตรงนั้นนี่ทุกก็เลยกลายเป็นของจริงขึ้นมา และสมุทัยก็เป็นของจริงขึ้นมาด้วยแล้วหมดฤทธิ์บทอำนาจที่จะผิดทุกันเป็นตัวผลขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้รับสวยต่อไปเพราะอำนาจของมรรคคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมของจริงเช่นเดียวกันแล้วนี่โลธาคือความดับเสน่สนิทแทงทุกชั้นเหนืออำนาจของศีลสมาธิปัญญาได้อย่างไร เพรศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นผู้ทําหน้าที่ให้นิโรธปรากฏขึ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาได้ทําหน้าที่เต็มภูมิแล้วนิโรธาคือความดับสนิทแห่งทุกนั้นเป็นชื่ออันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะอํานาจของมรรคจะดับได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายขอให้พิจารณาเรื่องของทุกข์และสมุทยัยให้เห็นจริงตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ด้วยอํานาจของปัญญาของตนก็แล้วกัน นิโลธะจะไม่ลี้ลับอยู่ที่ไหนกิเลส จ, จะมีกี่ประเภทภายในใจจะปิดบังเรื่องของสติกับปัญญาซึ่งประกอบกันเป็นองค์แห่งความเพียรอันมีอยู่กับของเราคนเดียวนี้ไปไม่ได้เราซึ่งเคยแพ้กิเลสตัณหาอาสะวะมามันขลักดันให้เรามาเกิดมาตายกี่กับกี่กันเราจะได้เห็นหน้า เชื่อแห่งความผลักดันในวันนั้นเพราะอำนาจของปัญญาแล้วกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทที่เรียกชื่อว่าสมุทัยนั้นจะได้หายหน้าหายตาไปเพราะอำนาจของปัญญาได้ทำลายเสียจนสิ้นสักแล้วนิโรธาคือความดับสนิทแห่งทุกนั้นจะเป็นธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นมาเอง เพราะกำลังของมรคือศีลสมาธิปัญญานี่อริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรคจะประกาศเป็นความจริงในเสียงเดียวกันมีความสม่ำเสมอในฐานะหรือในตามธรรมชาติของตนผู้ที่เคยตำหนิติชมในเรื่องทุกเรื่องสมุทยัยเพราะอำนาจแห่งความโง่ของตนก็ะจะกลายเป็นความรู้เสมอภาค ในตนเองด้วยในสภาวธรรมทั้งหลายทั่วๆไปด้วยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกสมุทัยนี้โหรดมากด้วยนั่นและคำว่าโลกกับธรรมจะได้ยุติกันในวาระนั้นหรือเรื่องเกิดเรื่องตายของเราเรื่องกิเลสตัณหาอัสมะซึ่งเคยเกิดขึ้นกับเราสังหารเราหรือทำลายเรา ก็จะได้สิ้นสุดตัดสินกันลงในขณะนั้นเพราะอำนาจของสินสมาธิปัญญาฉะนั้นขอให้เราทุกๆท่านจงเป็นผู้ตระหนักในตนเองเสมอว่าเป็นลูกศิษย์ของพระสาคตทุกทุกประโยคแห่งความเพียรจงรำพึงถึงพระพุทธเจ้าเสมอว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยถอดถอน กิเลสตัณหาอสวะเพราะความทอแท้อ่อนแอไม่เคยเป็นศาสดาของโลกเพราะความเหยียดคร้านเพราะความโง่เขลาบาปัญญาแต่เพราะความขยันหมั่นเพียรเพราะความองอาจกระหานในเหตุผลซึ่งจะควรละและจะควรบําเพ็ญจนสามารถรื้อถอนพระองค์เจ้าได้ กลายเป็นศาสดาของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่ในบัดนี้เกิดขึ้นมาเพราะหลักธรรมที่ถูกต้องฉะนั้นในอวสานเนี่ยพระธรร ม, มทีส น, นั้นขอบุญญาณุภาพแห่งพระพุทธ เ, ทเจ้ากับทั้งพระธรรมเนี่ยพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาบรรณาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ให้มีความสุขกายสบายใจและจะได้